้อมน้อมต่อคุณพระรัตนไตรัยข <c oughs> อกาศหลงพ่อกรม <c oughs> พระเทลานุเทละเพื่อนสาทรมิกทุกท่านาจเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านเมื่อกี้เราก็สวดธรรมจักรกับประวัตนัสูตรจบแล้วนะพระสูตรนี้นะเป็นสูตรที่สำคัญมาก <c oughs> เป็นประถมะเทศนาของพูะเจ้า แล้วก็เป็นการที่เรียกว่าทั้งหมดของพุทธศาสนาก็แทบจะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะการแสดงธรรมจักนี้นะสามารถแบ่งได้เป็นสามตอนตอนแรกจะเป็นการแก้ทิฐิของปัญญวัคคีก่อนเพราะเป็นการแสดงให้ปัญญวัคคีเพราะว่าตอนแรกนะพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเดินทางมาแสดงธรรมให้ปัญญวัคคีฟังแล้วเนี่ยแต่ปัญญวัคคีไม่ยอมฟัง เพราะเข้าใจว่าพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพราะเนื่องจากว่าท่านละความเพียรในการทรมานตนเองที่อดอาหารปัญญวิีก็เลยหนีมานะคราวนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเดินทางมาจากตะแคงธรรมเนี่ยปัญญวคีก็นัดกันว่าจะไม่ลุกขึ้นต้อนรับอไม่แสดงความเคารพต่างๆเหล่านี้นะ เพราะนั้นปัญญวคีเนี่ยมีปัญหาในเรื่องทิฏฐินี้อยู่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้บรรลุธรรมเพราะนั้นในขั้นแรกเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงธรรมในการที่จะแก้ทิฏฐิของปัญญวคีก่อน <c oughs> ทิฏฐิของปัญญวคีมีอะไรบ้างนะก็คือนะอินเดียในสมัยนั้นเนี่ยก็จะอ่ปฏิบัติในสองสุดโตง่งสุดโต่งแรกก็คื อ, อาการมาสุขาริการโยค ก็คือการทําตัวให้มีความสุขในกลางนะในรูปลดกลิ่นเสียงต่างๆกางมาฉันทะทั้งหลายแหลนะอยู่ในกลามเหล่านั้นนะบางคนก็ถือว่าเสพกลามให้เต็มที่เลยนะจะได้เบื่อหน่ายแล้วเบื่อหน่ายก็จะได้ขึ้นสวรรคนะ์หรือไม่ก็อาจจะบรรลุธรรมไปเลยนะเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นก็มีการเอเสพกลามกันมากอยู่นะบางแห่งก็ก็มีกางมาสูตรก็ยังมีนะ ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ว่าสมัยนั้นจะใช้วิธีในทางการรมมาเพื่อที่จะให้บรรลุอทำในระดับสูงขึ้นไป <c oughs> อีกหนทางหนึ่งซึ่งเป็นทางสุดโต่งที่ตรงข้ามกับความสุขก็คือเป็นความทุกข์หรือเรียกว่าอัตากิลเมธามโยกก็คือทําตัวเองให้ทรมานต่างๆนาๆนาะเช่นการอดอาหารต่างๆเป็นต้นเนี่ยเพราะนั้นปัญญวคียาในจะนิยมอดอาหารมาก <c oughs> หรือการทรมานตนเองต่างๆนะเช่นนั่งนอนบนตะปูบ้างบนหนามบ้างนะฝังตัวเองอยู่ในพื้นดินบ้างนะอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งไม่ขยับขยอนเลยนะมองงานมองพระอาทิตย์เนะี่ยยืนขาเดียวกรรมมือจนเล็บทะลุหลังมือนะเป็นการทรมานตัวเองแม้แต่ในสมรยพุทธกาลก็ยังมีนะวิธีการเนี้ย่ก็จะมีมีอยู่กลุ่มหนึ่งอาจะประพฤติตนเป็นบัว ประพฤตเหมนบัวก็คืออาจจะแสางกิริยาท่าทางทุกอย่างเหมือนบัวทุกอย่างนะอ่าเดินก็เดินสี่ขาเหมือนบัวไปรับประทานไปทานหญ้านะแล้วก็ทําวิธีการต่างๆเหมือนบัวทุกอย่างนะนอนก็เหมือนบัวร้องเหมือนบัวอใช้ชีวิตเหมือนก็บัวเลยนะมีกลุ่มนึะบอกว่าวัว น, นี่มันไม่ถูกต้องนะมันไม่ถูกต้องต้องทําเป็นสุนัขดีกว่าสุนัขนี่นมันถูกต้องกว่า ก็ทําตัวเป็นสุนัขทุกอย่างนะทานสีขายเป็นสุนัขเหาะผอมเั็นสุนัขแล้วก็คานไปทานอุจจาระทานเศษขยะต่างๆเมื็นสุนัขเนี่ยทําตัวเป็นสุนัขทุกอย่างเลยเสื้อผ้าก็ไม่ใส่เป็นการทรมานตัวเองนะเพื่อที่จะให้บอกว่าทรมานตัวเองแล้วเนี่ยจะได้กรรมเก่าก็จะหมดไปเพื่อให้กรรมเนี่ยหมดไปจะได้เป็นที่พอใจของพระผู้เป็นเจ้าเมื่อตายแล้วก็จะได้ไปอยู่กับพระผู้ เ, เจ้า ตอนทั้งสองกลุ่มนี่พอมาเจอกันก็เลยเถียงกันบอกว่าวิธีการตัวเองถูกวิธีการของอีกฝ่ายหนึ่งผิดเนี่ยก็ตัดสินกันไม่ได้นะก็ตกลงว่าเาไปให้ผู้เจ้าตัดสินก็แล้วกันว่าอย่างาฝ่ายใดถูกกันแน่มาถามผู้เจ้าผู้เจ้าก็บอกว่าที่เธอประพฤติทั้งสองฝ่ายนั่นแหละประพฤติอย่างไรนะกําเนิดหรือคติที่จะไปก็เป็นแบบนั้นนะประพฤติแบบบัวนะตายไปก็เป็นบัวอประพฤติแบบสุนัขตายไปก็เป็นสุนัข ทั้งสองกลุ่มฟังแล้วก็เลยเกิดความเศร้าสลดนะก็เลยมาเลิกประพฤติแบบนั้นนะ่ะก็มาหันมาปฏิบัติธรรมแทนเนี่ยจะเห็นว่าวิธีการต่างๆเราเนี่ยเป็นวิธีการที่อินเดียในยุคนั้นเนี่ยเขามีอยู่นะเป็นความสุดโต่งสองข้างพวกเจ้ก็เลงส่งแสดงว่าเออทางสุดโต่งสองข้างนั้นไม่ทางแห่งความพ้นทุกข์แต่ความพ้นทุกข์ก็คือทางสายกลางมีมัชชิมาปฏิปทาแล้วก็ส่งแสดงมัชชิมาปฏิปทาคือทางสายกลางนี้เป็นมาร์คมีงูแปร มักมียงแปดก็ได้กับสัมมาทิฏฐินะก็คือมีความเห็นชอบสัมมาสังกัปโตมีความดําริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากรรมโตทําการงานชอบสัมม า, าชีโอมีอาชีพชอบสัมมาวายามโมมีความเพียรชอบสัมมาสติมีความระลึกชอบสัมมาสมาธิมีจิตตั้งมั่นชอบนี่แหละคือทากสายกลางนี่เลนี่แหละคือคนทายให้ความพุทธทุกข์แท้จริง อันนี้ก็เป็นการแก้ทิฏฐินะของอเราปัญญวคีย์เพื่อที่จะให้กลับมาสู่ในผนทานที่ถูกต้องครั้นี้เมื่อแก้ทิฏฐิแล้วเนี่ยก็ทรงแสดงในลำดับที่สองนะขั้นตอนที่สองคือทรงตัดสรุกอะไร <c oughs> การตัดสลูกของพระพุทธเจ้า ก, ก็คืออริยรรสัจสี่นั่นเองนะอริยสัจสีนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากพระพุทธเจ้า ก, ก็ได้เคยลำพึงว่าที่เราต้อง เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัตถองศารก็เพราะเราไม่รู้จักอริยสัจสีนั่นเองนะแต่เมื่อรู้จักอริยสัจอริยสัจสี่ในแล้วเนี่ยเราก็ออกจากความที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับหักยอดของเรือนของนายช่างที่ปลูกเลือนนั้นได้นะเนี่ยเป็นการที่ออกมาจากการเวียนว่ายในวัตถองศารก็คือเพราะการรู้อริยสัจสีนั่นเองอริยสัจสีก็คือทุกเนี่ยทุกก็มีการทุกกายทุกใจนะทุกกาย ก็มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ประจําสังขารแล้วก็มีทุกจรมาต่างๆมากมายนะความหิวความปวดเมื่อยความง่วงความเจ็บแค่ได้ป่วยต่างๆความทุกข์ทางกายความทุกข์ทางใจการการที่เราประสบกับสิ่งไม่รักเป็นทุกข์พัดพาจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ความโศกกระปริเทวทุกขโทรมนัสต่างๆนะ พวกนี้เป็นความทุกข์ทางใจทั้งสิ้นทรงแสดงให้เห็นถึงความทุกข์เหล่านี้คราวนี้เมื่อแสดงความทุกข์แล้วเนี่ยก็ทรงแสดงสาเหตุแห่งการเกิดทุกข์นะคือสมุ ท, ทยัยสมุทัยก็มีอยู่สามมีอยู่ตัณหานะตัณหานี่ก็แบ่งออกเป็นสามอย่างก็คือตากามตัณหากามตัณหาก็คือการ ม, มีความยินดีความพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส นึกคิดต่างๆนะก็คือการฉันทะในผัสสะรูปเวทนาสัญญารูปรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆนะภายนอกอัจฉริภายในก็คือตาหูจงลิ้นกายใจที่กระทบกันนะเมื่อเกิดผัสสะใจเกิดความยินดีลายขึ้นมาในขณะนั้นนะเป็นการมตัณหาขึ้นมานะเป็นภวะตัณหานะก็คือความพอใจในความมีความเป็นต่างๆนะมีความอยากได้ทะยานอยากต่างๆนะ วิภาวะตัณหาก็คือความที่ไม่อยากได้ไม่อยาก ม, ากมีไม่อยากเป็นต่างๆนั่นเองนี่ก็เป็นตัณหาซึ่งตัณหาเนื้แหละก็คือสมุทยัยประการต่อมาก็คือทุกข์นิโรธก็คือความดับทุกข์ความดับทุกข์หรือที่เราเรียกว่าพระนิพพานนั่นเองนะความดับทุกข์พระองค์พระพุทธเจ้าก็เลยทรงแสดงถึงการดับของตัณหามีอเสสะวิราคะนิโรโท จาโครปฏินิสักโคมุตินารโย ο, ก็คือการที่เราดับตัณหาไม่ให้เหลือไม่ตัณหาไม่เที่ยสายนี่แหละคือการดับทุกข์หรือนิโรธหลังนั้นก็สดโดยส่งแสดงทุกขะปฏิปทาหนทางแห่งการดับทุกข์นั่นก็คือมรรคมีองค์กานั่นเองนะมรรคมีองค์กอย่างที่เมื่อกี้ได้บอกมาแล้วเนี่ยเป็นทางแห่งการดับทุกข์ที่แท้จริงะเนี่ยก็เลยส่งแสดงสิ่งเหล่าเนี้ยอ่ให้ ปัญญาคิทยาได้ได้ฟังในขณะนั้นอว่าอาริยสัจสีนี้เป็นแบบนี้นะอ่าแสดงถึงความทุกข์ความเกิดจางทุกข์นี่คืออะไรนะแล้วก็การดับทุกข์แล้วก็หนทางการดับทุกข์เนี่ยเป็นหนทางเช่นนี้น่ะให้แก่่อาปัญญาวคียาได้ฟังนะครา้นี้น่ะก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายหรือขั้นตอนที่สามนะว่าพระเจ้าเนี่ยอ่า ได้ทรงตัดสรู้ด้วยลักษณะการอย่างไรหรืออาการอย่างไรในการตัดสรู้เหล่านั้นก็ได้ทรงแสดงยานเหล่านี้นะก็คือเขาเรียกว่าเป็นยานทั้งสามยานก็คือความรู้ที่พระเจ้าได้ทรงรับรู้ได้ทรงเกิดขึ้นมาเองได้ทรงตัดสรู้ด้วยตัวเองเป็นยานที่ไม่มีใครนอกจากพระเจ้าที่จะได้รับ ได้ประสบในญาณนี้นะั้นอกจากผู้เจ้าองค์เดียวเท่านั้นนะก็คือขั้นแรกก็คือสัจญาณ น, นะสัจจะก็คือความจริงญนะาณคือความรู้ก็คือความรู้ในความจริงนะรู้ในความจริงอะไรนะรู้ในความจริงว่าทุกนะสมุทยัยนิโรธมรรคเนะี่ยก็คือความจริงนะที่พระพุทธอง้าได้ทรงรู้แล้วนะว่ามีสิ่งทั้งสี่นี้คือความจริงนะคือสัจจะจริงๆนะ ครา้นี้เมื่อรู้แล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นต่อมานะก็จะต้องมียานที่สองยานที่สองนี่เขาเรียกว่ากิจยานกิจยานนะก็คือกิจก็คือการทำนะการกระทำํำนะการกระทํายานก็คือความรู้ในการกระทํำนั้นกระทําอย่างไรนะก็คือทุก์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องนะกําหนดรู้นะสมุทยัยนะเป็นสิ่งที่ต้องละ อนี้โลดเป็นสิ่งที่ต้องทําให้แจ้งมักเป็นสิ่งที่ต้องทําให้เกิดอันนี้ก็คือตัวการกระทํานะคือการปฏิบัติซึ่งอันนี้นอกจากที่พระพุทธเจ้าจะทรงอ่ากระทําในตรงนี้แล้วเนี่ยตรงนี้ก็คือหลักในการปฏิบัติอของพุทธศาสนาชนทั้งหลายด้วยหรือผู้ที่เดินตามพระุทธเจ้าเนี่ยต้องปฏิบัติในแนวนี้นะั่นก็คือต้องไปบัติในกิจยานั่นเองนะเพราะว่าสัจจยานั้นพระพุทธเจ้าทันรู้แล้ว ส่วนกิจยานก็เป็นสิ่งเราต้องปฏิบัติกันนะก็คือทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องกําหนดรู้นะอทุกทั้งหลายแหละไม่ว่าความทุกข์ทางกายทางใจก็คือเป็นสิ่งเราต้องรู้รู้เท่านั้นก็พอแล้วนะรู้เท่านั้นนะเช่นความโกรธเกิดขึ้นเราก็รู้นะความพอใจความรักความชังต่างๆเราก็รู้นะเรามีหน้าที่รู้เท่านั้นเองนะแต่เมื่อเรารู้แล้วเนี่ย ด้วยอำนาจที่เรารู้นั่นแหละมันก็จะละเขามัได้เองนะเรามีสติเนะี่ยมันก็จะละได้เองส่วนคนไม่มีสติมันก็ละไม่ได้นะแต่เราไม่ต้องไปละมันเราแค่รู้นะแค่เรารู้เฉยๆมันก็ละไปแล้วนะนะบางคนบอกว่าเออทาไมเรารู้ว่าเรากโกรธก็ทําไมความโกรธไม่หายนะก็เพราะว่าเราไม่ได้รู้เฉยๆนั่นเองนะในใจเราก็มีความอยากอยู่นะมีความอยากมันหายไปนั่นแหละก็คือเป็นตัณหาอ่าตัณหานะั่นแหละเขาเรียกว่าอ่าเป็นอกุศลจิตนะ ในเมื่อความโกรธก็เป็นอกุศลจิตตันหาก็เป็นอกุศลจิตอีกเพราะนั้นก็เป็นกลุ่มเดียวกันมันจึงไม่หายนะพราะเราแค่รู้เฉยๆก็พอแล้ว อ, อขณะนี้เราโกรธนะเราลุยเฉยปั๊บเนี่ยความโกรธก็หายไปเลยเพราะเรารู้เฉยนะมันก็กลับมาเป็นผู้ดูไปนะดูไปเท่านั้นเองนะเนี่ยก็คือความทุกข์ทั้งหลายแหละนี่เราก็รู้มันนะมีหน้าที่กําหนดรู้อ่านะส่วน <c oughs> สมุทยัยนะสมุทัย เราก็มีหน้าที่ต้องละนะมูไยก็คือตัณหาทั้งหลายเมื่อกี้ที่ว่ามานะตัณหาแล้วก็รวมกับนันทิราคะก็คือความเพลิดเพลินไปในลมต่างๆคนเรานี่นอกจากมีตัณหาแล้วก็ยังเพลิดเพลินไปกับตัณหาเหล่านั้นอีกเนี่ยเขาเรียกว่านันทินะหรือนันทิราคาะอตาเห็นรูปก็เกิดความยินดีเกิดความพอใจเกิดความเพลิดเพลินนะเกิดความเพลิดเพลินไปติดในลมเหล่านั้นไปเลยนะ ได้ยินเสียงอะไรที่มีความไพเราะก็เพลิดเพลินไปในลมเหล่านั้นนะใครมาชมเราเราก็เพลิดเพลินไปอีกนะนอกจากนั้นเพลิดเพลินในปัจจุบันก็ไปคิดในเรื่องเก่าๆออมีความไปขุดเรื่องเก่าๆที่เขาอมาชมเราอมาสันเซอร์เราต่างๆก็เกิดมาเพลิดเพลินก็ไหม่ก็เพลิดเพลินไปในรมทั้งหลายพวกนี้ก็เป็นปัญหาทั้งหมดนะเนี่ยมันก็ต้องรู้ให้ทันนะ พอรู้ทันแล้วก็เราก็ละไปนะละความเพลิดเพดลินเหล่านั้นให้ไวนะให้ไวเหมือนกับกระพิบตาฉันนั้นเนี่ยเพราะนั่นอย่างที่มาลุงอยบุตรก็เคยถามพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าพระองค์อายุมากแล้วนะจะปฏิบัติอย่างไรจรึงจะได้ผลเร็วพระพุทธเจ้าบอกว่ามาลุงอยบุตรเธออย่าเพลิดเพลินไปในอารมณ์ต่างๆให้ละอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นให้เร็วเหมือนกับกระพิบตาฉันนั้นนะละให้ไวนะละความเพลินทั้งหลายให้ไวนั่นก็คือการละตัณหาแล้ว เพรตัณหาก็คืออนันทิราคะนั่นเองนะมันรวมในตัวหมดเลยนันทิราคะคือความเพิดเพื่นในตัณหาทั้งหลายเมื่อเรารู้ให้ไวแล้วก็ละให้ไวนะนตรงนี้ต้องอย่าไปเพิดเพื่นในอารมณ์ต่างๆนะเราต้องมีพื้นฐานในตรงนี้ที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆให้ไวแล้วก็อย่าไปเพิดเพื่อนกับเขามันก็เป็นการละตัณหาไปในตัวนะทุกๆอย่างนะในสุดคนปฏิบัติทั้งหมดนะไม่ว่าจะไปวิธีการไหนๆก็แล้วแต่นะ มันก็จะเข้ามาสู่ในตรงนี้ว่าวิลาคะนิโรโธจารโภปนิสสะโคมุตติอนารโยก็คือเป็นการคลายออกของตัณหานะตัณหามันก็คลายออกนะจากการที่เราเคยมีตัณหาเยอะแยะเนี่ยเมื่อเราไปบัติไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีการคลายออกมาเกิดนิโรโธก็คือการดับไม่เหลือของตัณหาจารโคคือการสลัดออกของตัณหาปฏินิสสะโขคือการสลัดคืนของตัณหา มุตติคือการปล่อยการวางของตัณหาอานายโยคือการทาให้ตัณหาไม่มีที่อาศัยนี่แหละเมื่อปฏิบัติทำไปแล้วนะตัณหาไม่ต้องคลายออกมันจะเป็นการแบบทำให้ถูกต้องถ้าปฏิบัติไปแล้วตัณหาไม่คลายออกมันก็ไม่ถูกต้องอยู่ดีนะเรามีความโกรธอยู่มันก็ยังไม่หายสักทีหนึง่งแสดงเราทำไม่ถูกต้องเรายังปฏิบัติไม่ได้ผลนะเรามีความขัดข้อง ต่างๆนะอยู่ในใจเรามีความยินดียินร้ายมากมันก็ยังตันหายก็ยังอาศัยทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้ น, นเราจะดูว่าเราปฏิบัติได้ผลหรือไม่ได้ผลจริงๆก็ให้รู้ดูว่าเราเพลินนานไหมเพลินนานไหมเท่านั้นเองนะถ้าเพลินไม่นานเนี่ยตันหามันอาศัยไม่ได้แต่เพลินนานเนี่ยมันตันหาอาศัยได้ไม่ใช่ว่าเรา เ, ออเดินจงกรมได้กี่ชั่วโมงนั่งสร้างจังหวะได้กี่ชั่วโมงนะอันนั้นมันก็แค่เป็นรูปแบบการปฏิบัติเท่านั้นเองนะส่วนตัวที่มันวัดจริงๆก็คือเราเพลินแนวลมต่างๆม ใครเข้ามาตําหนิเรามาว่าเราเราติดในวลมไม่อการติดในวลมนั่นแหละก็คือตันหาคือนันทินั่นเองนะเรายจะออกจากลมไม่ได้เลยมันก็ยังเพลินในรมอยูนะ่เพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเราต้องรู้ให้ทันแล้วก็ออกจากลมให้เร็วก็คืออย่าไปเพลิดเพลินในรมเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นการละตันหาได้นะจริงๆแล้วความโกรธต่างๆความรักความชังหรืออทัง้งหลายเหล่านี้ก็มาจากตันหาทั้งนั้นเลยนะก็เกิดจากความอยาก ความอยากของเราเนี่ยเป็นใหญ่เมื่อเราอยากเราไม่ได้สมความอยากนะั้นเราก็มีความโกรธความไม่พอใจขึ้นมาอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นความโกรธก็เกิดจากความอยากนี่แหละต้องรู้ให้เท่าทันอ่าถึงสมุทัยคือเห็นแห่หงการเกิดทุกข์จึงจะออกจากความทุกข์ที่แท้จริงได้ <c oughs> นี้เราก็คือความดับทุกข์นะบางคนบอกว่าเราไปบัดให้ถึงพระนิพพานในชาตินี้นะแต่คํานิพพานนี่นะนนดูแล้วไกลเหลือเกินนะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน ชาตินี้อร์ไม่รู้จะถึงนิพพานหรือเปล่ารู้สึกมันไกลมากเลยเป็นสิ่งที่ยากจริงฟังครูบาอาจารย์อ่าท่านบอกเรื่องนิพพานท่านบรรลุธรรมโอ้โหยากมากเลยนะอ่การบรรลุธรรมของท่านจะต้องบรรลุอย่างฉับพันนะบรรลุฉับพันทันทะีนะมีจิตเปลี่ยนวัแบแวบทันทีนะภายในค่าคืนก็จิตเปลี่ยนทันทีนะกลายเป็นอริบุคคลกิเลสหมดไปในทันทีเดี๋ยวนั้นรู้สึกเป็นเรื่องยากเหลือเกินนะอแต่จริงๆแล้วเนี่ย นิโรธก็คือทุกข์นิโรธก็คือทุกข์นะนิโรธก็แค่ความดับก็คือความดับทุกข์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเพื่อนเราปฏิบัติให้ใจของเราเนี่ยความทุกข์น้อยลงแค่น้อยลงเราก็ใกล้พระนิพพานแล้วนะน้อยลงน้อยลงเท่านั้นเองนะมันใกล้พระนิพพานแล้วนะเพราะว่าทุกข์นิโรธก็คือความดับทุกข์หรือพระนิพพานนั่นเองนะเนี่ยเราจะไปหวังว่าต้องถึงพระนิพพานแต่เราทําให้ทุกข์ในใจเราเนี่ยน้อยลงไปได้ไหม นะหรือหมดไปได้ไหมในแคร์นี่มันก็นิพานอยู่ในตัวอยู่แล้วนะถ้าเราคิดแค่เนี้ยว่าให้ความทุกข์ในใจเราน้อยลงของการปฏิบัติธรรมเราก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะความทุกข์เกิดจากเราไปเพลินอารมณ์ทั้งหลายนั่นเองรู้ไม่ทันอารมณ์นะใครเข้ามานินทาเรามาว่าเราเราก็ไปติดอารมณ์เราไปเพลินอารมณ์แต่พอรู้ทันเราออกมาปุ๊บไปปกติก ไ, ได้นะเป็นผู้ดูไปปกติปุ๊บเราก็เปลี่ยนเลยนะเราก็ไม่ทุกข์แล้วก็ดับไปเนี่ย้มันก็ค่อยๆดับค่อยๆน้อยลงไปเองนะ เพราะนั้นการที่เราจะดับทุกนี้นะเขาเรียกว่าดับไปโดยลําดับเป็นลําดับไปนะเหมือนกับช่างไม้เนี่ยเขากา็ใช้ขวานในการทําเป็นช่างไม้เขาไม่รู้เราก็ขวานเนี่ยสึกไปวันละเท่าไหร่แต่เมื่อผ่านไปนานพอสมัวรแล้วก็จะเห็นด้ามขวานที่มันสึกไปนะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่ากิเลสเราเป็นหมดไปสักเท่าไหร่นะแต่เมื่อนานไปเราจะสังเกตได้ว่ากิเลสมันลดลงนะความทุกข์มันก็น้อยลงนะ ตรงนี้เราสามารถสังเกตได้นะไอเ น, นี้ยถ้าเราแค่สังเกตตรงนี้ได้นะเราก็ได้ผลแล้วนะไม่ใช่เราปฏิบัติทำแล้วไม่ได้ผลเออ ท, ทำไมปฏิบัติทำมาต้องสามปีห้าปีสิบปีเรายังมีกิเลสอยู่เลยนะเออมีความโกรธมีความไม่พอใจอยู่นะเราสังเกตว่ามันลดลง ไ, ไหมนะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราไปทําอะไรกับกิเลสไม่ได้เลยนะเออถ้าเราเข้าใจตรงนี้ว่าเออมันไม่ใช่ตัวเม่ตนของเรานะเอ่อกายกใจไม่ใช่ตัวเม่ตนของเรานะ เพราะฉะนั้นความคิดนี่แหละจริงๆแล้วความคิดมันไม่ใช่ของเราเลยมันคิดเวลาประมาณห้าหมื่นครั้งนะคือคนเราเนี่ยมันจะมีเส้นกราฟของความคิดมันจะขึ้นขึ้นลงลงทั้งวันแม้แต่เรานอนหลับเส้นกราฟความคิดมันก็ยังขึ้นขึ้นลงลงเลยนะมันออกมาในรูปของความฝันนะอันนี้แสดงว่าความคิดมันทํางานเองแท้ๆเลยไม่ใช่ว่าเราอยากให้มันทําหรือไม่เป็นเกี่ยวกับเราแม้แต่นิดเดียวนะ เงินสังเกตดูการาฟในรู้เลยขนาดนอนหลับมันก็ยังคิดเลยใช่ไหมไม่ไม่เกี่ยวกับเราเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเราแยากให้ได้ว่าความคิดเนี่ยมันไม่ใช่เรามันทํางานของมันเองมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของเขาไม่เกี่ยวกับเรานะต้องอยากแยกให้ได้เมื่อความคิดเนี่ยมันทํางานของเขาเองไม่เกี่ยวกับเรานะเพราะนั้นอารมณ์ต่างๆความรักความชางัง ความเกลียดความโกรธทั้งหลายแหละก็ไม่เกี่ยวกับเราเมันกันมันก็ทํางานของเขาเองเหมือนกันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาไม่เกี่ยวกับเราเลยแม่ น, นิดเดียวไม่ต้องแยกออกมาตรงนี้ให้ออกก็ไม่เกี่ยวเราไม่ใช่เราพระพุทธเจ้าเลยทรงบอกแล้วว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันก็คือร่างกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือจิตใจไม่ใช่เรานะไม่ตัวไม่ตนของเราตรงนี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะเข้าใจเลย ว, ว่าเออ มันก็ไม่ใช่ของเราจริงๆนั่นแหละเพราะมันคิดกับมันเองมันโกรธมันก็โกรธมันเองไม่เกี่ยวกับเราเลยไม่แต่น้อยนะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเราก็เข้าใจเป็นเราตลอดเออเราคิดก็กลายเป็นเราคิดเราโกรธก็กลายเป็นเราโกรธถ้าเราคิดงี้นะให้ไปบัติรทำจุดเปียจนตายเลยแม้แต่วันตายมันก็ยังมีพวกนี้อยู่นะมันก็ยังมีความคิดอยู่มันยังมีความโกรธอยู่มันก็ไม่ออกจากอารมณ์ไม่หายสักทีหนึ่งเพราะว่ามันยังเป็นของเราอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราดูเออมันก็เป็นตามเหตุตามปัจจัยมันไม่เกี่ยวกับเราาสัักกกนนนิดึงมจจะออ ตรงนั้นได้ทันทีเลยนะแล้วมันก็จะดับไปหายไปอย่างรวดเร็วแล้วมันก็ไม่เกี่ยวกับเราจริงๆอเหมือนกับเพื่อนเราเข้ามาเยี่ยมเรานะมาเยี่ยมเราเราก็ไปต้อนรับเพื่อนดีเอาน้ำเอาท่าให้เขากินเอาอาหารให้เขากินแล้วเขาก็มาเขาอยู่เรื่อยๆนะตอนหลังแล้วไม่ต้องต้อนรับเขาก็มากินของเขาเองเลยนะออันนี้ก็เหมือนอารมณ์ทั้งหลายแหละพอเกิดขึ้นเมืาเรานึกว่าอารมณ์ของเรานะเราก็มันก็เชื้อเชิ้เออเราโกรธปุ๊บมันก็เข้ามาในใจเราเลยแล้วก็กลายเป็นผู้โกรธไปเลยนะ่ อแต่ถ้าเราหมายเออเพื่อเรามาปุ๊บเราก็บอกเออเราก็ไม่ต้อนรับเขานะาไม่ต้องไปไล่เขาหนีด้วยแล้วก็อยู่เฉยนึงแหละไม่ต้องน้ำผ้าให้เขากินเขาก็จะเก้อเขินแล้วเขาก็จะจากไปเองนะ <_ c uman> เขาจะรวมเออเขาไม่เกี่ยวว่าเราแล่วเขาออกไปเลยเพราะฉะนั้นความโกรธหรื้อรล้มทั้งหลายแหล่เหมือนกันนะเมื่อเกิดมาเราเข้าใจเออไม่เกี่ยวกับเราลออเลย <_ c uman> เะนะเป็นเรื่องของเขาแท้ๆไม่เกี่ยวเราเป็นเนระื่องของเหตุปัจจัยไม่เกี่ยวกับเราปุ๊บเนี่ยทีหลังเขาก็ ก็เคยก็หายไปเองนะเขาก็ไม่มายุ่งกับเราหรอกเราไม่ได้ไปต้อนรับเขาก็าไม่เราไม่เกี่ยวกับเราเลยนะไม่ใช่เราไม่ตัวตนของเราเนี่ยตรงเนี้ยมันจึงจะออกจากรถต่างๆได้นะมันจึงจะออกจากความทุกข์ออกจากความยึดติดในคันห้าวว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเนะี่ยออกจากวัฏวิถในขันห้าตรงนี้ได้ว่าจริงๆไม่เกี่ยวกับเราแม้นิดเดียวนะมันจะออกจากกิเลสทั้งหลายหลาได้เลยตรงเนี้ยก็คือหนทางอ่าแห่งความพ้นทุกข์มันก็อยู่ตรงนี้นะอ่าคราวนี้น่ะใน อกิจยานนะเมื่อกี้ก็ทุกเน่เนนนนะททยเป็นสิ่งต้องกําหนดรู้นะสมุทัยเป็นสิ่งต้องละนะีน่โลดเป็นสิ่งที่ต้องทําให้แจ้งนะมัคเนี่ยมัคมียงมไปก็คือต้องเป็นสิ่งที่ต้องทําให้เกิดนะอนะมัค ก, ก็โดยสรุปแล้วก็คือศีลสติสมาธิปัญญาเ น, นี่นเองนะก็เป็นสิ่งเราต้องทาให้เกิดเนะ น, นี่ยคราวนะี้เนี่ยพอหลังจากที่มันกิจยานแล้วมันยังไงต่อนะ หลังกิจยาก็คือเมื่อหลังเราทำแล้วนะมันจะมีผลอย่างไรก็คือเป็นกัตยานกัตยานก็คืออ่าสิ่งเหล่านั้นเราได้ทําสําเร็จแล้วเราได้ทํารู้ล่วงแล้วนะทุก์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องอ่ากําหนดรู้เราได้รู้แล้วนะสมุทัยเป็นสิ่งที่ต้องละเราได้ละแล้วนิโรธเป็นสิ่งต้องทําให้แจ้งเราทําให้แจ้งแล้วนะมรรคเป็นสิ่งที่ต้องทำให้เกิดเราทําให้เกิดแล้วนะเพราะเมื่อเราทําในสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ย ครบสมบูรณ์แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยประกาศเลยว่านี่แหละเราตัดสู้เป็นมาพุทธเจ้าแล้วนี่คือปฏิปทาอเป็นสิ่งที่เราได้ปริญานได้เลยว่าขณะนี้เราบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเพราะเราได้ทําญาณทั้งสามนี้ให้สําเร็จแล้วนะมันก็เลยวนอย่างนี้นะสามรอบนะก็คือออริยสัจสี่เนี่ยก็วนสามรอบอริยสัจสี่ขันะ้นแรกนะก็วนในสัจญานก่อนนะในการรู้ก่อนนะนะ ในการรู้ใส่ทําก่อนหลังนั้นอริยสัจสีก็วนอีกรอบหนึ่งคือวนในการทําหลังนั้นอริยสัจสีก็วนอีกรอบหนึ่งก็คือวนในกัตยานก็คือทําได้สําเร็จหมดทั้งทั้งอ่าทั้งสอย่างนี้แล้วนะมันก็เลยเรียกว่าปริวัติสาก็คือการวนสามรอบเป็นอาการสิบสองนั่นเองนะตรงนี้พระเจ้าได้ได้ทำสำเร็จแล้วเนะี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเราเป็นเราปวดท้องนะปวดท้องเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรปวดท้องจังเลยเนี่ยไปหาหมอ เราก็ตัวดู ot, โอ้นี่มันใส้ติง app, นะต่งอักเสบนะใส้ติ่งอักเสบอันนี้แสดงว่ารู้แล้วเอปวดท้องเพราะอะไรรู้ว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบนะแต่ถ้าไม่รู้ไส้ติ่งอักเสบนี่ก็แสดงว่าไม่รู้ว่าปวดท้องเพราะอะไรอันนี้รู้แล้วนะอันนี้สมมุติว่าเป็นสัจยาญแล้วกันนะมันรู้แล้วอต่อไปนี่เออพารู้ว่าเป็นไส้ติ่ง selbst, อักเสบเราจะทำอย่างไรต่อนะจะทําอะไรต่อก็ต้องผ่าตัดนะผ่าตัดเอาไส้ติ่งมาอันนี้ก็คือกิจยาก็คือต้องทํทําทาการผ่าตัดออกมานะ ครั้นี้เมื่อผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเราผ่าตัดเสร็จแล้วก็เป็นกรตรยายก็คือเราทําสําเร็จแล้วนะนี่แหละก็คือลักษณะของอาการของยาลังสามนั่นเองนะเนี่ยนะตรงนี้ถ้าเราถ้าเราเห็นตรงนี้นะนี่แหละก็คือสิ่งพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่จะทําได้ไม่มีภาษาบกหรือไม่มีใครที่จะทําในตรงนี้ได้หรอกเพราะฉะนั้นเมื่อทําตรงนี้ได้แล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จะอภิปราศได้อย่างชัดเจนว่าท่านบรรดุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วโดยอาการและลักษณะเช่นนี้เอ ง, นะ aí, allow, น, งนั่นก็คือ ตอที่สามนี่ก็คือลักษณะอาการอย่างไรที่พระพุทธเจ้ า, าได้ทรงสําเร็จเป็นพาาุทธเจ้าก็โดยอาการของยานทั้งสามนี้นั่นเองเนะเมื่อทําเทนนี้แล้วนะเมื่อทรงประกาศอริยสัจสี่เทน้แล้วเนะี่ยอพระอัญญากโกเัญญะนก็ได้เห็นอย่างนี้ว่ายังกินติสมุทธยธรร ม, มังสัพพันตังในโลละธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดา สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คืออะไรก็ได้นะสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะไรก็ได้เกิดขึ้นนะมันก็ดับไปเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะนี่คือความจ ร, ริงคือสัจธรรมเหมือนกันเพราะทุกอย่างเกิดแล้วก็ต้อดับนะไม่มีอะไรเกิดแล้วไม่ไม่ดับหรอกนะมีเหตุมีผลมีความเกิดและความดับนี่แหละคือความจริงร่างกายเกิดขึ้นก็ต้องดับไปความคิดเกิดขึ้นก็ต้องดับไปความโกรธเกิดขึ้นก็ต้องดับไปทุกอย่างมีความเกิดดับทั้งนั้นเมื่อทรงเมื่อพระญาณญาโกธัญญะเนี่ยเห็นตรงนี้ปั๊บเนี่ย พระพุทธเจ้าก็เลยอุทานเลยว่าอัญญาสิวัตโพกนทัญโยอัญญาสิวัตโพกนทัญโยติอัญญากนทัญญาเนี่ยคนทัญญะรู้แล้วหนอคนทัญญะรู้แล้วหนออัญญาก็คือรู้แล้วเนี่ยก็เลยเป็นผู้คนแรกเลยนะที่สามารถที่จะมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วหลังนั้นก็กนทัญญะก็เลยขอแต่ขอบวช ขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ก็เป็นองค์แรกในพุทธศาสนานี้น ะ, อะตอนนี้นะตอนที่พระ ญ, ญากรุณ ญ, ญาบวชนี้ก็เรียกว่าครบพระตนไตแล้วนะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบนะในวันนั้นพอดีเขาเรียกว่าวันอาสาละหบูชาน ะ, ะนี่แหละคือหนทางแห่งการไปการมาของธรรมจักรกับปปนาสูตรและหลังอย่างนั้นนะ เขมีการเทวดาในทั้งแจ้งไปต่อไปเรื่อยๆนะตั้งแต่ภูมิมะเทวาไปชั้นดาวดึงนะขึ้นไปสูงไปเรื่อยๆเลยนะจนถึงพรมโลกไปจนสุดพรมโลกทั้งหลายเป็นการแจ้งข่าวในเรื่องที่พระเจ้าได้ทรงบรรลุเป็นพระเจ้าแล้วได้ทรงแนางธรรมจักรกับพระวัติสูดแล้วก็บรรลอลั่นไปทั่วทั้งโลกธาตุมีความเป็นการสนั่นนะเป็นการสะเทือน พิภพจักรวาลนี้นะว่าขณะนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลือสียหน้าแล้วะธรรมจักรได้ถูกการขับเคลื่อนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งบนโลกมนุษย์แล้วหลังจากที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นว่างเว้นพระพุทธเจ้ามาเป็นเวลานานบัดนี้พระเจ้าได้เกิดขึ้นมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเทวดาทั้งหลายก็มีความยินดีมีความปิติใจนยนะเพราะว่าจะมีผู้ที่บรรลุธรรมอีกมากมายนะหลังจากนั้นนะก็มีเทวดามาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านะในตอนกลางคืนนะ กลางคืนนะพระเจ้าจะแสดงให้เทวดาฟังนะอันนี้บางคนบอกว่าเออกลางคืนเนี่ยแสดงให้เทวดาฟังก็เลยไปตีความว่าพระเจ้าแสดงธรรมให้กษัตริย์บ้างให้กับคนรวยเศรษฐีบ้างพระเหมือนกับเป็นเทวดานี่ไม่ใช่นะไปตีความมาเองในพระสูตรก็บอกไว้ชัดเจนเลยนั่นนั่นพระเจ้าเป็นบอกบอกไว้ชัดเจนว่าแสดงธรรมให้กับเทวดาฟังนะแต่ถ้าแสดงให้กับกษัตริย์หรือคนรวยก็จะบอกว่าแสดงให้กับกษัตริย์หรือขหาบดีฟังไม่ได้เกี่ยวกับเทวดาเลยนะเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมให้เทวดาฟังเนี่ยมีอยู่จริง ลเทวดาก็บรรลุทำกันไปมากมายนะมนุษย์ก็บรรลุทำมากมายจนมาถึงทุกวันนี้นะปี 2,600 ปีมาแล้วที่พระเจ้าได้ทรงแสดงธรรมจักนี้นะจนมาถึงพวกเรานี้นะรุ่นเราเนี่ยเป็นรุ่นกลางๆแล้วมั้ง 2,600 กว่าปีกว่าพุทธเ้ชยันตีนะเพราะนั้นเราดูว่าเราจะทำอย่างไรนะที่เราจะดาเนินรอยตามพรเจ้าให้ถึงซึ่งความทุกข์นะ พระพเจ้าต้องการเราคน ท, ทุกคนไม่ต้องการให้เราเวียนว่ายใจเกิดนะเราอย่าไปเสียเวลาเลยนะกระสิงต่างให้เรารู้ความจริงแล้วก็ปล่อยไปอย่าไปยึดถือนะตามความเป็นจริงอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในขันห้างเราในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเรานี่แหละให้เห็นในชัดในตรงนี้นะกายไม่ใช่ของเราใจไม่ใช่ของเรากายนี่เราเห็นอยู่แล้วเราไม่ใช่ของเรานานอนส่วนใจเนี่ยส่วนมากนะเกเราจะยึดไว้เป็นของเราแล้วมันออกจากตรงนี้ไม่ได้นะ แต่วันใดที่เราสามารถที่จะเข้าใจอย่างชัดแจ้งว่าใจไม่ของเรานะเราหยาอนจากความทุกข์ได้ย่าง่ายได้แล้วนะก็ขอทุกท่านอบรรลุถึงซึ่งพนันานในชั้นนี้ทุกท่านเทอ